ในช่วงนั้นอายุในเกณฑ์4ีสิบีปีได้ฟังเทศอาจารย์คนหนึ่งเป็นมหาปเปลี่ยนห้าประโยคพระองค์นี้เคยติดตามอาตามาสมัยนั้นอาตามามีเลือสลาเรือท่อเนี<ม>่ยเรือสลาาว่าต่อมาขายเลือสลาแล้วก็เลยมาซื้อเรือกลนไผ่อันนี้ไม่ใช่พูดอวดดีนะพูดโม้พูดมากจะไปหาวัยนะ พูดกลมจริงสู่กันฟังซื้อเลือกลนไฟแล้วอาจารย์นก็ติดตามขึ้นร้องด้วยท่านก็พูดเรื่องกรรมาฐานให้ฟังแล้วก็สนทนากั น, บ, นบันนี้ตอนที่ไปสนทนากับท่านตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นมีแม่ขาวมีพระหลายองค์ไปสนทนากันเรื่องธรรมะเพื่อนแม่ขาวกับพระด้วยกันไปฟังอาจจะมาสนทนากับพระองค์นี้ พระองค์นี้ก็พูดเรื่อยๆไปอาตมาก็รู้เนี่ยเรื่องกรรมฐ า, านก็ต้องรู้ถามกันเลยถามเหมือนบางทีท่านก็แก้ไปอย่างนั้นตัวก็ถามรัดไปอย่างนั้นท่านก็ถานตัวเองมาลัดเลยก็ต้องถามกันเรื่อยๆเป็นการศึกษาสนทนาธรรมะพอเชี่ยงคือได้หายไปทั้งหมดเลยเนื้อขาก็หายไปหมดพระก็หายไปหมดสองคนบัดนี้เ อ, เอาเอากันเลยบัดนี้สองคนใครมียังไงก็ถามกันเลย ถามกันจนถุกถึงหกโมงเชาท่านก็เลยพูดโอ้เรื่องธรรมะจะพูดกันให้มันจบมันสิ้นมันจบไปได้ถ้าอยากรู้ต้องปฏิบัติเอาเองท่านว่าอย่างนั้นโอ้การปฏิบัติเอาเองผมก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็ฟังคํานี้มั่นใจไว้สองปีฟังอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็บวันนี้ก็พยายามทํามาอย่างนั้นนะบัดนี้เอ๊สองปีแล้วเราต้องควรศึกษาจริง ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเลยเราเกิดมานี่เพื่อทำไมเกิดมาแล้วขมทุกมันนีมาขมสุขอยู่ที่ไหนคำว่าสวรรค์นิพพานนี่ายแล้วจริงจะเอามันเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรอยากรู้แบบนี้กลัวนระกนี่กลัวจริงๆอาจจะมาไม่ไม่ทำผิดจริงๆในขะ่าวนั้นกลัวนระกมาวิธีที่ไปศึกษากับ อาจารย์อาจารย์ก็เลยไม่อยู่ปีนั้นท่านก็เลยพอดีไปถึงท่านก็ไม่มีกุฏิไม่มีที่พักให้ก็ไปซือ้อกะทอมข้าวยุงข้าวเนะี่ยเคยรู้ไม่สุกเราเราข้าวเก่าเขาซื้อสามร้อยบาทไปจ้างคนยวนปลุกให้คนยวนเขาจ็ต้องปลุกให้พอดีปลุกกุฏิแล้วอาจารย์เ็าเลยบอกว่าไม่ได้อยู่สอน จะไปหลวงพ่อบางจะจําพรรษาหลวงพ่อบางเออก็ดีเหมือนกันเรามาแล้วไม่มีใครสอนก็ดีก็มีหลวงพ่อวันทองสอนอยู่ที่นั้นอายุเจ็ดสิบกว่าปีหลวงพ่อวันทองเออดีน้องตาก็ดีท่านก็สอนให้เดินจมกรมอย่างสูงสูงยกต้นเออยกต้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนออยู่สอนกันเรื่องนี้ สอนเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทันลงมือทําเพียงเพียงฝึกหัดแต่นความจริงเราฝึกหัดมาแล้วแปดปีเรื่อนนึ่งฝึกหัดมาแล้วแปดปีท่านไม่รู้ว่าตัวเคยฝึกมาแล้วไหมท่านไม่ถามท่านเป็นหน้าที่อาจารยา์ท่านสอนไปเลยฝึกหัดกับท่านหลายวิธีท่านสอนเออก็ดีเหมือนกันแล้วก็เรียนกับท่านเลี้ยงกับท่านแล้วบัดนี้ท่านมาให้ทําหายใจเข้าทาย หายใจออกตายให้ภาวนาตายข่าวนั้นก่อนที่จะเข้ากรรมฐานต้องมีการขอกรรมฐานสมาทานสุโบโสุดสินก็เลยไปขอกรรมฐานจากท่านเมื่อขอกรรมฐานได้ท่านก็นสอนอย่างนี้มาทำทำไปทำมามันง่วงนอนง่วงนอนก็นอนไปยังไงกันนี่มานอนหรือมาทำไม่มาเจริญกรรมฐานเอ๊ะมาเจริญกรรมฐานนอนทำไมเนี่มันคิดให้ตัวมันเอง มันถามตัวเองลุกขึ้นมาพอได้ลุกขึ้นมากับปุ๊บปับ๊บเนี่ยขี้เกียจไปซะแล้วเราวิ่งมาจนตายแล้วล่ะตายตายเนี่ยมันเหนื่อยแล้นอนไปอีกแล้วนอนเลยมันก็ถามตัวมันเองอีกละนอนทําไหมเพื่ออะไรมาทำอะไร ม, มาเจริญสติตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เลยเรื่องนี้เรื่องข น, นบ้านมันทําอึดอัดใจจนนั่นโอ้โหนอนลงไปประมาณจากสองสามนาที ลุกขึ้นมามันทําตัวมันเองจากสองสามนาทีนอนลงไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนบ้ายังไม่รู้จักบ้าเติ่งอะไรก็เลยตัดคือใจนอนเลยวันนั้นนอนเพราะดีนอนลงไปประมาณจากสองสโมงนอนหลับจริงๆหลับไม่ตื่นเลยสองสโมงเนี่ยหลับลงไปเลยตืรนขึ้นมาบบเนี่ยประมาณจากตีสามนี่แหละ มาแปลงฟันกล็ลางหน้าดีๆแล้วก็เอาละแบบ น, นี้ปฏิบัติมันลองดูนะจะปฏิบัติยังไงไปสักตัวเองก็เรียนกับอาจารย์มาพอแล้วละแบบ น, นี้ทำงานทำงานทำจังหวะซาๆเคลื่อนไหวไปมาซาๆเดินจมคมซาๆเอาอยู่งั้นนะจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรเลย ตอนกลางวันมานุ่งเสื้อแขนยาวเนะี่ยข่าวนั้นนุ่งกลางเต่งขาสั้นทางกลางวันก็ต้องทาจริงจงมันร้อนก็ต้องทนเอาขันติขวมอดทนทันวะต้องอดทนสู้จิตใจแล้วก็ต้องสู้จริงๆอ่ะสู้เพื่อจะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจแต่ควมจริงแล้วไม่อยากรู้ธรรมะดอกไม่รู้ธรรมะคืออะไร อยากได้มีอิทธิปาิหาอยากอยากอยากหายตัวได้ไปบงังคุ้มไม่แล้วไม่อยากให้คนเห็นมันเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็อยากใต้ผิวน้ํานี้ได้ให้คนงึดอยากเหาะได้เนี่ยมันเข้าใจไปอย่างนั้นนึกว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงจริงเพราะครูบาอาจารย์พูดให้ฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดให้ฟังมันเข้าไปในมันสมองหรืออย่านี้ตกเย็นมันเนี่ยอาบน้ํามาแล้วกะ นุ่งกางเกงขายาวไปเนี่ยนุ่งเสื้อแขนยาวเอามึงละร่มเนี่ยทาอยู่อย่างนั้นตลอดมาดึกนอนนอนแล้วแบบนี้เตินขึ้นมากับประมาณตีสองกว่าดีแล้วเอาทําจังหวะเดินจมคมเอียงซ้ายเอียงขวาทาจังหวะไปจางนั้นนะเอาใจคิดได้เนี่ยก็ทาไปตะพึ้ตะเพือไปนะเรียกว่าเราหาทางตกเข้ามาตอนนี้ก็เลยมานุ่งกางเกงขาสั้น ตอนเท่าตอนนันะเปลี่ยนฟุดแล้วข่าวนั้นไปปฏิบัติธรรมะจ้างเขาให้เขาซักเสื้อซักผ้าซักลีดให้อย่างนุง้งถ้าไม่เลีด ก, ก็ละอายเนี่ยมันเป็นคนพนยศอันนี้แหละเรียกว่ามีมานะมีทิฐิถือเนื้อถือตัวจ้างลูกจานแดงนี่แหละซักให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าจานแดงเนี่เป็นเพื่อนกัน แม่แกนเนี่ยเป็นคนทำอาหารให้กินเป็นยังไงก็เลยทำมาทำมาตอนตีห้าดูลายมือนี่ยังไม่ซัดดีมีแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานั่งพระเทียบขามันหลุดเข้ามาเนี่ยแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานี่เอ๊ะตามปกติมันต้องปัดทิ้งไวๆอันปัดที่ตกใส่ขา่ขาวนั่นก็เลยไม่ปัดเลยพิจารณาเอ๊ะ ทำไมแมงแมงแมงงอดบ้านอาจจะมาเรียกแมงงอดเอ๊ะทำไมมันไม่กัดเราเนี่ยเข้าใจนเอ๊ะเราก็ทําไมจีไม่ตีมันเป็นยังไงกันแนี่ก็เลยเข้าใจเรื่องรูปนามขึ้นมาข่าวนะเอ๊ะแมงงอดนึกว่าแมงงอดอาจจะไม่รู้บางคนแมงปองแมงปองนี่ทําไมมันไม่กัดเราโอ้แมงปองก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะขาเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันทั้งตัวเลย แมงปองก็เป็นรูปเป็นนามนำกันทั้งตัวเลยแมงแมงแมงปองไม่ลูกอ่อนพอาะดีมันตกได้ขาลูกมันกระจายออกไปแม่มันมูบยิ้เท่าต้นนั้นเนี่ยนานพอสมควรก็เลยไปหาเอาไม้มาเตะขาเหล่าไม้ประมาณจากศอกนี่แหละเตะขาพอเนื้อมันไหวแมงปองก็เลยไตเข้ามาจับไม้ทันทีพอดีมันจับต้นนั้นเออมันเราก็มือจับต้นนี้ พอดีมันใตมาโ้นนี้แล้วก็กลับไปจับโ้นนั้นไปวางมาคันแทนามีว่าคันนาวางไว้แล้วก็กลับคืนมามาเจริญสติตามเดิมแล้วก็มีค่อยสองตัวอีกแล้วบัดนี้ข่อยถึกใหญ่ๆนี่โซนขันข้าวนั้นน่ะมันคาดไปโซนกันอยู่ทุ่งนาแล้วเอาเบืง้งควอยโซนโอ้มันไม่รู้แม้มันเจ็บแทบจะตายแล้วนมันเป็นอย่างไงตนขันโอ้ เราพอชอบคุยสนคุยขาวนั่นนะสอบดูคุยสนคุยบ้างมาดูตัวเราบ้างโอ้โหตายก็เลยรู้ลูกทำนามธรรมโอ้ธรรมะคือตัวเราจริงๆตัวเรานี่เองเป็นธรรมะเข้าใจโดยมีจริงๆเมื่อเข้าใจธรรมะเนี่ยโอ้เข้าใจลูกโลกขึ้นมาโลกนีนโลกโลกนี่มีสองแนวลูกโลกนามโลกเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริง เข้าใจจริงๆนะมันรู้แล้วไม่หลงไม่ลืมจริงๆโรคไม่มีสองอย่างโรคทั้งเนื้อนหนังเจ็บหัวปวดท้องต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะหมอตรวจเช็คดีๆแล้วให้ยากินก็หายโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายเองโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายตายเลยก็นี้เยเข้าใจเพียอย่างนั้น โลกทางจิตใจได้บ่เนี่ยาโลกทางจิตใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียโอ้อันนี้จิตยิงญานเป็นโลกจิตใจเป็นโลกต้องอาศัยการเจริญสตินี่เองรู้จักอันนี้ก็พลิกมือขึ้นขั้วมือลงก็เลยรู้จักทุกขังอันนีจังอนัตตารู้จริงจริงนันเป็นอย่างไรในสมัยนั้นอาจารย์สอนว่าทุกขังอันนีจังอนัตตานั้นผมงอกฟันหัก เนื้อหนังมันแห้งแห้วเขา้ามันย่นย่อก่อเป็นอนัตตาท่านบังคับบัญชามม่ได้ทนะ่านรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้สมมุติพอดีรู้สมมุตินี่รู้จริงๆรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วโอ้บวชแล้วก็สึกแม้เราเป็นเนรเนี่ยก็บวชแล้วก็สึกมาเป็นโยมเป็นเสียงโอ้สมมุติจริงจริง วันนี้อายุ20ปีก็ไปบวชอีกแล้วออมันสมมุติเอาอันนี้นี่มันเข้าใจอยังไงอ๋อผีบัานนี้ผีก็สมมุติจะมีจริงคนไม่มีญาณไม่รู้เคยได้ยินไหมพุทธศนสน์คนทาทั่วพูดชัวเขาว่าไอ้ผีถ้าเป็นผู้สายคนทําดีพูดดีเขาว่าเอ้ออิตานี่คือคือพระธรรมแต่มันคือมันไม่ได้เห็นตัวพระธรรมมันคือ แต่บุคคลที่ไม่มียานต้องคือเอาแต่เมื่อมียาน่โอธรรมะคือคนใจดีคนดีใจใจดีแบบ น, นี้ก็เลยรู้จักเทวดาขึ้นมาโอเทวดานี่มันเป็นอย่างนี้คนใดมีหินโอตะ ป, ปะโอเทวดามันเป็นอย่างนี้โอเราก็เป็นเทวดาได้แบบนี้เข้าใจว่าเป็นเทวดาได้จริงๆข่าวนั้นแต่ยังเป็นพระไม่ได้ เป็นมนุษย์ได้จริงๆข่าวนั้นน่ะเป็นได้จริงๆเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วบัดเนีน้มองดูสภาพความเป็นอยู่เรื่องสมมติรู้จริงๆเป็นผู้ใหญ่บ้านรรนั้นเป็นตำรวจทหารสมมติทางนั้นตัวคนยังเหมือนเดิมแต่คนก็เลยไปหลงติดสมมติลืมตัวไปอย่างนั้นติดยศติดลาบติดซื้อติดเสียงอะไรติดไปทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียว บุญติดศิลโอ้โหหลายเรื่องพอดีรู้อันนี้แล้วกัเลยรู้ศาสนาศาสนาเป็นว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้รู้จริงๆศาสนานี่คคำสั่งสอนสอนคนสอนเข้าหูคนโอ้ตัวคนทุกคนนี่ตีเป็นตัวศาสนาเขาใหญ่ยังเอ๊ะคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษ คนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาเป็นตัวศาสนาทั้งนั้นโอ้ศาสนาจึงเป็นวคํวามสั่งสอนท่านพู้รู้คนใดรู้เรื่องผีสอนให้เราไหว้ผีคนใดรู้เรื่องเทวดาสอนให้เราไหว้เทวดาคนใดมีความรู้เรื่องดูลึกดูยามเขก็สอนให้เราดูลึก ด, ดูยามเสียเขศ ด, ดซกอะไรแล้วเขาสอนก็เลย อ๋าศาสนาแปลว่าคาสั่งสอนของท่านพุท ธ, ธาศาสนาบัดนียถามตัวเองพุทธะแปลผู้รู้โอ้ออะไรรู้ก็ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองมันรู้พลิกมือขึ้นมันรู้ควมไม่รู้มันค่อยหายจางไปเนี่ยมันมาถามตัวเองควรไม่รู้ไปที่ไหนดีเอาพลิกมือดูทิพลิกมือขึ้นมันรู้ควมไม่รู้มันหายไปเองมันไม่มีตัวไม่มีตนควมรู้ก็ไม่มีตัวไม่มีตน โอ้มันเป็นวิธีบวกกับลกอันนี้ เ, เข้าใจยังพอดีรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้บาปรู้บุญบาปนี่อยู่ที่ไหนบาปคือมืดคือโง่คือไม่เข้าใจใครพูดอะไรก็เสือไปตะพตื้นตะพื้อันนั้นแหละบาปมากที่สุดบุญคืออะไรบุญคือการเจริญสติเขาเลยมีบุญขึ้นเลยแบบ น, นี้บุญมีแล้วแบบ น, นี้โอ้ บุญนี่ไม่ต้องไปซื้อกันก็นได้เนี่ยโอ้ยไม่ต้องซื้อใครอะบุญมันมีแล้วก็เลยรู้บุญบุญคือรู้คือสลาดคือแจ้งคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครบคุ้นที่ตรงนี้เลยภาคต้นที่สุดพอดีระยะนั้นสูบบุรีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกสิดบุรี่พอดีรู้มาเรื่องทุกเรื่องอย่างอะไรแล้วแล้วก็เลิกบุรีได้เลย มันเห็นทุกจริงๆเลิกได้จริงๆขาวนั้นบุรีเอามันนี่มึงสูบบุรีดูที่มันมันฐานตัวเองสูบไม่ได้ทําไมจึงสูบไม่ได้เน่ยเพราะไม่อนุญาตให้สูบไม่ได้เ น, นี่ยอันนี้หมายถึงว่าสติสมาธิปัญญาบัณฑ์บังคับตัวโทสะโมหะโลภะได้เนี่ยมันเป็นอย่างไงตอนนั้นแหละบันเนี้กเกิดกลมรู้ฟงซ่านขึ้นมาทันที เดินจมกอมก็ไปแสดงให้ผีฟังเลยรูแ้แล้วผีกับรู้แล้วมันลืมอีกแล้วแบบ น, นี้แตแสดงทําแบบนี้ให้ผีฟังแสดงทําแบบนี้ให้คนฟังแสดงทําแบบนี้ให้มนุษย์ฟังแสดงทําแบบนี้ให้เทวดาฟังเละตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เดินไปเดินมาเชนตกเย็นตกเย็นก็ไปอาบน้ําอาบน้ํามาแล้วกันนุ่งกางเกงถ่ายกางเกงนุ่งเสื้อเดินจมกอมกันอีกแล้ว ต้นนั้นเป็นทางนั้นเป็นต้นค่อยทางนี้เป็นต้นอะไรกันเลินแต่เนี่ยต้นมะทานต้นพุทธานะ่ะมันรับตรงกันก็เดินไปเดินมาไม่เคยรู้ขมคิดตัวเองเลยคล้ายๆคือมีคนมาผักข้างนี่เนาะบุบมองไปเอ๊ะใครมาที่ตรงนี้มันไม่มีคนไม่รู้เลยไม่เห็นเอ๊ะมันเป็นอะไรนาะอย่างเงี้เลยเอ๊ะ เดินไปอีกไม่นางก็เลยรู้คิดตมันคิดบูบขึ้นมาโอ้มันคิดเป็ น, อ, นอย่างนี้ก็เลยรู้ควคิดคิดครั้งที่สามนี่รู้จริงจริงโอ้มันคิดโอ้มันคิดนี่ไม่มีตนไม่มีตัโอ้แหมเราเคลื่อนไหวนี่มันเป็นรูปเรามองเห็นด้วยตาโอ้อันนี้คนอื่นยังมองเห็นได้แมื่คิดนี่คนอื่นมองไม่เห็นโอ้ แมวมันละเอียดที่สุดโอ้รู้ได้ก็ตัวเองก็เลยลูกผมคิดเดินไปเดินมากลับไปกลับมาอยู่ที่ตรงนั้นแหละไม่นานก็เลยรู้สมุฐานของผมคิดแน่นอนที่สุดบอกว่าคือแมวกับหนูนี่แหละพอเดคิดปุ๊บแมวจับปั๊บหยุดทันทีทีแรกเมื่อเป็นอารมณ์รู้เนี่ยเหมือนกับแมวตัวเล็ก หนูตัวโตๆมันออกมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูพอดีหนูออกมาแมวไม่จับปุ๊บหนูมันก็วิ่งตายไปแมวมก็ติดไปบัดตอนที่มันเห็นคักๆแล้วพอดีมันคิดปุ๊บแมวมันจับปั๊บย่างแรงแมวจับหนูมันซอกตายเลยพอเราให้ฟังเรื่องนี้ก็มันมันเป็นเรื่องที่มาเปรียบเทียบกันไปแมวนี่เป็นครูของเสือท่านว่าอย่างนั้น เสือเกิดลูกมาต้องไปเอาแมวมาสอนแมวต้องกินเสือไม่ได้เลยนะั่นเพราะเป็นครูของเสือเสือกินสัตว์กินงวกินควายกินสัตว์ต่างๆมีเลือดแมวกินไม่มีเลือดกินหนูไม่มีเลือกก็เลยเข้าใจโอ้พอแหล่านี้ก็ไม่รู้อะไแมวมันไม่เคยเ อ, อหนูมันไม่เคยให้แมวจับพอดีแมวจับซุบหนูมันซอกตายมันตกใจโอ้พอดีซอกตายเลือดมันไม่วิ่งเลย